วันนี้เป็นวันที่สิบหกเมษาห้าูนย์วันสงกรานวันปีใหม่วันที่สิบสามวันนี้เป็นวันที่สิบหกแต่วันนี้ตรงกับวันพระแรมสิบสี่คาเดือนห้าแต่ตามไม่จริงถ้าปีนี้มันเป็นปีแปดสองหนถ้าหากว่าไม่ใช่แปดสองหนวันพระเพนหน้าเนี่ยมันก็คงจะเป็น วันวิสาขาบูชานะเป็นวันประสูตตรัสรู้ปรินิพานพระพุทธเจ้านะแต่ในปีนี้มันเป็น8ปดสองหนยังเป็นเดือนสี่เพนอยู่ยเดือนสี่ดับอยู่อีกสักเดือนหนึ่งนะจากนี้ไปเดือนนึงคงจะเป็นเดือนอีกนั่นแนหะเดือนหเพนก็ต้องไปอีกเดือนหนึ่งนะต่อไปก็เป็นเดือนห้าเพนะครวกนั่นอีกประมาณเดือนครึ่งก็งเป็น วันวิสาขบูชาวันนี้เป็นวันพระใหญ่เป็นวันเดือนห้าดับเป็นวันปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นวันล้ำลึกถึงพวกเราญาติโยมที่เคยปฏิบัติธรรมทุกวันพระวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันรักษาอุโบสถศีลเป็นวันสําคัญและเป็นวันรักษาอุโบสถศีลของพวกเราเพราะนั้นถ้าว่าไปแล้วก็หลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเรา ผู้สูงอายุนะรักษาศีลให้สม่ําเสมอนะทุกวันพระก็ดีอย่าให้ขาดตกบกพ้องเพราะว่าหน้าที่การงานของพวกเราอย่างอื่นก็ปล่อยวางลงมากแล้วหน้าที่ของผู้สูงอายุก็คือให้สองแสวงหาหนทางให้แก่ตนเองคือสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราถา้าพวกเราไม่ส่องแสวงหาหรือไม่ ตืินเต้นข้นขวายเรื่องไม่ข้นขวายเพื่อตัวเองจะให้คนอื่นข้นขวายให้ก็คงไม่ได้เพราะนั้นวันพระพวกเราควรจะรักษาศีลอย่างน้อยก็มีศีลห้าไว้ประจำไว้ก็ดีเหมือนกันเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระวันหนึ่งให้พวกเราทุกๆท่านนะบอกตุญาติโยมควรจะมีศีลุมมโมสดแล้วก็ที่ผ่านมาเป็นวันสงกรานวันสงกรานก็คือวันปีใหม่ของไทย ตั้งแต่โบ ร, ร, ราณถือกันมาปู่ย่าตายายถือว่าเป็นวันสนุกสนานเพิดเพลินเฮฮาของลูกหลานแต่ผู้เฒ่าผู้แกก็เท่านั้นแหละถึงจะสนุกสนานกับสนุกสนุกสนานไปอย่างงั้นแบบสงเดชไปอย่างนั้นสําหรับผู้สูงอายุาลูกหลานก็ไม่ว่าการเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังก็ให้เขาสนุกสนานไปตามประเพณีบ้านเมืองของเขาวัฒนธรรมของเขา แต่ไม่จริงวัฒนธรรมน่ยถ้าจะว่าไปแล้ววัฒนธรรมเด็กวัฒนธรรมผู้ใหญ่วัฒนธรรมคนแก่วัฒนธรรมของพระสงฆ์เราจะเอาวัฒนธรรมทั้งหมดไปผสมผสานการไปทําเหมือนกันหมดควบคองไม่ได้เพราะนั้นต่างคนต่างมีวัฒนธรรมของใครของเราวัฒนธรรมของวัดบ้านวัฒนธรรมของวัดป่าอย่างไรแต่ละองค์ก็อยู่ในกรอบความประพฤติของใครของเรา ในเมื่อเราเป็นหัวหน้าวัดเราจะทำเหมือนเป็นลูกวัดก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นลูกวัดเราจะทำเป็นหัวหน้าวัดก็ไม่ได้เมื่อเราเป็นลูกเราจะทำเหมือนพ่อเหมือนแม่ก็่อนพ่อแม่จะทำเหมือนลูกก็ไม่ได้คือวัฒนธรรมทำแต่ละคนสรุปแล้วก็คือให้รู้จักกาละเทสะบุคคลการสถานที่อย่างนี้บุคคลเช่นนี้เรามาถึงจุดนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรเนี่ย อันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนไว้หมดเพราะนักการวางตัวเป็นสิทธิ์เป็นจุดจําเป็นและสำคัญอย่างยิ่งยันท่านจึงยกเป็นพิธานชาดกที่ว่าม้าอาชนายเนะี่ยถ้าว่าถ้าคนไม่รู้ม้าตัวนั้นก็กินหมดทุกอย่างเขาให้อะไรม้าก็กินหมดเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามา้าที่คือม้าอาชนายแต่พอพอพ่อฆ้า ม, มา้ารู้แล้วว่าม้าตัวนี้นเป็นม้าอาชนาย ม้าอาชนา이เนี่ยกินถ้ากินหญ้าเนี่ยคือกินสามใบกับยอดคนจะเด็ดให้สามใบกับยอดสามใบกับยอดให้ม้ากินเหมือนม้าจะกินอย่างนั้นถ้ามันจะไม่กินเหมือนม้าทั่วๆไปถ้ากินข้าวก็กินกินข้าวชาลีคุกกโวยน้ําผึ้งกินข้าวตอกกินของดีๆแบบนั้นอันนี้คือม้าอาชนา伊แต่เมื่อเขา ไม่รู้หมาก็กินหมดแต่พอพอเขารู้ว่าเนี่ยอันนี้คือม้าอาชไนเขาเอาย่าเอารำเอาแกบไม่ให้กินมันก็ไม่กินเพราะเขารู้แล้วว่าหมาตัวนี้คือค อ, อะไรผลที่สุดก็หมาก็กล่าวเป็นภาษาคนขึ้นว่าแต่ตามไม่จริงหมามันพูดไม่เป็นหรอกแต่นี่ว่าสอนคนนิทานเรื่องนี้สอนคนหมาบอกว่าแต่ก่อนเมื่อใครไม่รู้ว่าข้าเป็นใคร ข้าก็ทําได้ทุกอย่างกินแกบกินลําก็ได้แต่บัดนี้พวกท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าข้าเป็นใครรู้ว่าข้าเป็นม้าอาชนไยเพราะฉนั้นข้าจะต้องทําตัวเหมือนม้าอาชนาานี่เลยต้องกินหญ้าสามใบกับยอดเท่านั้นกินข้าวคุกกินข้าวต่อคุกด้วยน้ําผึ้งกินข้าวชาลีเท่านั้นจะไม่กินแกบกินลําอันนี้สรุปแล้วก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ให้รู้จักตัวเองเมื่อเราเป็นคนแก่เราก็ควรจะวางตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นคนหนุ่มเราก็ควรวางตัวอย่างไรเมื่อเราเป็นพระเราก็ควรวางตัวอย่างไรถ้าหากว่าการวางตัวไม่ถูกเนี่ยมันก็อย่างว่าสเปะสปะไปเรื่อยดูแล้วก็ไม่น่าดูเพราะนั้นพวกเราทุกๆคนนะ <ico> le> <ce> le> การวางตัวเป็นจุดที่จาเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเมื่อเราเป็นคนแก่ เราก็ควรวางตัวให้เป็นที่ยอมรับของลูกหลานให้เป็นที่เคารพของลูกหลานไม่ใช่ว่าเท่าแกไปแล้วไปหากินเหล้าเบายาสเปสปลาพูดไม่รู้จักอะไรทำให้ลูกหลานเ็าหมันไส้ว่างั้นลูกหลานตัวเองก็อายคนอายเขาของพ่อแม่ทำตัวไม่ถูกต้องกับกาลเทศะการสถานที่บุคคลสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสอนง่ายๆนะ ก็สอนก็เกรงใจกันนะไม่รู้จะพูดยังไงจริงจะเพมาะาเกรงใจกันแต่สําหรับหลวงพ่อหลวงพ่อสอนให้ฟังนะอันนี้คือแนวทางของพุทธะที่พระพุทธเจ้าให้รู้จักการสถานที่บุคคลเราให้รู้มองตัวเองอยู่เสมอว่าเราควรจะทำอย่างไรในการสถานที่เช่นนี้ น, นี่อันนี้ก็เป็นวันสงกรานเราควรทำตัวอย่างไร เราทำทำตัวเหมือนพ่อแม่กับเป็นที่ให้ลูกหลานให้เขามากราบมาไหว้มามุดน้ําดําหัวเราก็ให้สีให้พรเขาพอเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาไม่ใช่เราจะไปหากินเหล้าเมายาฟ้อนเตงเยงต่างอย่างอยูอย่ในกลางถนนทําให้ลูกเขาไปกราบไปไหว้ได้ยังไงสิ่งเหล่านี้มันก็พวกเราต้องได้คิดนะและก็ชีวิตของพวกเราผ่านมาเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆ ปีนี้ก็ปี 2,550 ปีต่อไปก็ 2,551 มันไม่ใช่ผ่านไปแต่เดือนวันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยปีนี้ก็แก่กว่าปีที่แล้วปีหน้าก็แก่กว่าปีนี้มันไล่ไปเรื่อย เ, ออเงินคำทรัพย์สมบัติถ้ามันหายไปมันหมดไปเราจะหาคืนได้ แต่ชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่มีใครที่จะหาคืนได้ไมีแต่แก่ไปหน้าเสียไปเรื่อยๆเสียชีวิตเสียอายุเนี่ยมันเสียไปเรื่อยๆสั้นเข้าเรื่อยๆแล้วเราจะนอนใจแล้วเราจะทํำยังไงเราควรจะตักตวงคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของเราเป็นระยะระยะอยาให้ชีวิตของพวกเราผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ไร้ค่าเพราะเงินคําทรัพย์สมบัตินั้น ถ้ามันหายไปเราก็ยังสะแสวงหาคืนได้มันขยันขึ้นมาเราก็หาคืนได้แต่ชีวิตของเรามันขยันยังไงเฉลียวฉลาดยังไงจะให้ชีวิตตัวเองกลับคืนมาให้มันหนุ่มเป็นเด็กเหมือนตะกอนไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยเป็นชีวิตที่วันคืนเดือนปีเป็นวันคืนเดือนปีที่มีคุณค่าที่สุดถ้าเราคิดให้ดีนะ เบ้นเสียแ ต, เเนนเต่เรานอนใจเราประมาทเรานอนใจเราชลาใจเราไม่ได้คิดชีวิตของเราก็เลยไร้คุณค่าไม่มีประโยชนะ์เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆคนนะให้ตรวจตาดูตนเองอยู่เสมออย่าไปนอนใจจนเกินไปให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราชีวิตของพวกเรามีจุดจบนะนะพูดได้อย่างนั้น แต่บางคนก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดว่าจุดจบของชีวิตนั้นคืออะไรไม่อยากจะคิดคิดมันทนทุกข์ละทมอยู่ใน จ, ใจิตใจไม่อยากจะคิดมันแต่ตามเป็นจริงในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสอนให้คิดให้วางแผนชีวิตของตนเองเพราะทุกคนมาถึงจุดนั้นแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นเพราะก่อนจะถึงจุดนั้นเราควรจะวางแผน ในชีวิตของเราอย่างไรไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปถ้าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทแล้วถึงจุดนั้นก็มาทำอะไรไม่ถูกทำอะไรไม่ถูกทีงนี่ก็เสียหลักก่อนที่จะเสียหลักนะ่ยทำยังไงลมหายตายจากไปได้ไง่ายๆเหมือนกับพระฝรั่งที่ถามหลวงพ่อเมื่อวันวาดวันก่อนก็น่าคิดเหมือนกันนะท่านถามประโยคหนึ่งนะท่านบอกว่า ก่อนที่จะตายเนะี่ยควรวางใจยังไงควรคิดยังไงในขณะที่ใจจะขาดในขณะที่ใจจะออกจากร่างควรจะคิดยังไงในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าคิดถ้าว่าผู้ไม่ได้ปฏิบัติมันก็ตายแบบถึงขาวแล้วก็ตายไปแต่ตามไม่จริงนักปฏิบัติรือนักภาวน า, น, า, ว น, านักกิจตภาวนาอย่างพระกรรมฐานเนี่ย ท่านถือว่าเป็นจุดที่จาเป็นและสำคัญอย่างยิ่งจุดที่หักเหที่สุดหรือว่าจุดที่จะตกต่ำจุดที่จะไปสูงคือจุดนี้แต่ท่านเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีไม่มีปัญหาท่านจะวางใจยังไงก็ไม่มีปัญหาพระนาคามีพระสกทาคามีพระโสดาบันอันนี้ก็ไม่มีปัญหาถึงจะท่านจะวางตัววางใจอย่างไรท่านก็ไม่ตกต ก็ท่านถึงขั้นอริยะแล้วแต่นอกจากพระโสดาบันลงมาเนี่ยเป็นคติไม่แน่นอนไม่รู้ว่าถ้าวางตัวไม่ถูกถ้าคิดไม่ถูกในจุดนั้นทาให้ตกต่าได้ไง่ายๆเหมือนกับพระภิกษุที่หลวงพ่อเคยยกเป็นอันนั้นขึ้นมาให้พวกเราได้ยินได้ฟังพระในครั้งพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตายท่านคิดถึงผ้ากีบอนของท่าน ห่วงผ้าจีวรของท่านเพราะท่านภ้าจีวรของท่านเพิ่งทําเสร็จใหม่ๆกําลังรับกําลังที่จะได้ใช้ว่างั้นถ้าผ้าจีวรของท่านพอใจจะขาดท่านห่วงผ้าจีวรแล้วเลือกถึงผ้าจีวรติดใจในผ้าจีวรของตนเองเพียงแค่นั้นตายไปไปเป็นเลนไปเป็นเลนอยู่ในภ้าจีวรผืนนั้นอันนี้ที่ท่าพระฝรั่งที่ท่านถามในวันนั้นบอกว่าเวลาตายจะวางจิตใจอย่างไร จึงจะไปสูงส่งจึงจะไปได้ดีนี่อันนี้ทางพวกเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเอาไว้นะพวกเราก็ตายไปแบบถึงค้าแล้วก็เข้าหลักประหารพญาเมจุฬาธ์บีบคอแล้วก็ตายไปใจไม่ได้คิดเรื่องอะไรตายไม่รู้ว่าตายคิดเรื่องอะไรแต่ตามไม่จริงก่อนตายเนี่ยนะถึงเราจะสั่งสมบุญกุศลไวมากแต่ว่าก่อนตายเนี่ยนะเรานึกนึกโมโหโทโสโกธา น้อยอบน้อยใจอย่างเนี้ยพอตายในขณะนั้นอาจจะไปในทางที่เป็นดีได้อย่างพระยาธรรมโศกราตในประวัติที่ท่านบอกเอาไว้ก่อนที่ท่านจะตายท่านโกรธให้แก่บริษัทบริวารของท่านเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามที่คําสั่งของท่านที่ท่านสั่งออกไปแต่ด้านการสั่งของท่านก็เป็นการสั่งที่เป็นกุศล น, นะให้เอาเงินของเราไปบริจาคทำบุญ แทนเราด้วยนะแต่เขาว่าพระยาธรรมสูงนั้ป่วยหนักแล้วไม่รอดแน่ข้าวเนะี่ยเขาเขาไม่ไปฏิบัติตามท่านก็โมโหเถอะทางฆ่าหายขึ้นมานะเงินของข้านะไม่ใช่เงินของครังนะ่ะเป็นเงินสมบัติส่วนพระองค์นะี่ยทำไมไปหาเอาเงินของเราห่วงไว้ทําไมนะเราจะทําอยากจะทําบุญเนะี่ยแต่ว่าตามจิตใจเป็นกุศลอู้อยากจะทําบุญแต่ว่าอารมณ์อารมณ์โมโหโกรธา โกรธให้แก่บริษัทบริวารนะพอตายไปไปเกิดเป็นงูเนีนะเพราะอารมณ์โกรธตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดุร้าย น, ะนี่ทั้งที่ทั้งที่ท่านทำ บ, บุญมามากต่อมากอันนี้แหละก่อนที่จะตายเนี่ยเราจะวางตัวอย่างไรก่อนที่ใจจะขาดจะวางตัวอย่างไรเนี่ยน่าคิดเหมือนกันนะเพอท่านั้นพระฝรั่งท่านถามหลวงพ่อว่าก่อนที่ใจจะจขาดเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่ เคยทําบุญทําทานสร้างบุญสร้างกุศลก่อนที่จะถึงจุดนั้นเราก็ระลึกถึงบุญกุศลเน้อบุญผู้ฆ่าได้สั่งสมมาคราวนี้เป็นครั้งสุดท้ายของข้าละข้าคงจะไม่รอดคราวนี้ข้าป่วยหนักแล้วชีวิตของข้าคงจะไปไม่ถึงไหนละบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ทํามามากน้อยก็ขอให้มาช่วยข้าพระเจ้าจากนั้นก็มืาภาวนาพุทโธพุทโธเท่าที่จะภาวนาได้ระลึกถึงคุณงามความดีของตนเอง แต่ถ้าหาว่าทำได้อย่างนั้นผู้นั้นเขาก็จะไปสู่สวรรค์ได้เพราะจิตของใจของเขาเป็นกุศลถ้าไม่ถึงสวรรค์ก็ไปถึงไปเกิดมาเกิดเป็นมนุษยเ์เพราะจิตใจของเขาเป็นกุศลแต่ถ้าว่าเขาคิดถึงอกุศลคือกรรมชั่วของเขาที่ได้ทำมาเมื่อเขาทำกรรมชั่วมากเมื่อเขาใจจะขาดกรรมชั่วมันจะวิ่งเข้ามาหานะ เหมือนกับคนเป็นข้าบัวข้าควายมันจะร้อง อ, า อ, าอ้ากอ้าแค่ยงที่พวกเราเคยเห็นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นพวกกมกร ม, มตัวนี้มันวิ่งเข้ามาหาในจุดที่จวนเกียร์ชีวิตจะขาดใจจะขาดออกจากร่างกมชั่วมันจะวิ่งเข้ามาแสดงให้พวกเราที่อยู่เ้างหลังได้เห็นว่ากำชั่ว่าทำนะนะมันเป็นอย่างนี้พวกเราคงจะเคยเห็นอย่างคนที่ทากลับไม่ดี หลวงพ่อเป็นเด็กเขาเล่ า, ลาให้ฟังให้หลวงพ่อฟังเหมือนกันคนเป็นอย่างนั้นก่อนที่เขาจะตายก็เป็นอย่างนั้นๆอาการ ก, กับเหมือนกับเขาฆ่าสัตว์ใหญ่ในะงานหลับเหมือนนอันนี้หลวงพ่อเ ค, เคยได้ยินแต่หลวงพ่อไม่เคยเห็นกับผูกับตานะอันนี้หลวงพ่อก็น่าเชื่อถือว่าเขาที่พูดนั้นเขาคงไม่พูดออกมาลอยๆเขาพูดอย่างจริงจังนะอันนี้ก็คือคนที่จะตาย คนที่จะหมดลมถ้าว่าเขาทำกรรมชั่วทากรรมที่ไม่ดีเอาไว้กรรมที่ไม่ดีมันจะวิ่งเข้ามาหาเขาในช่วงนั้นเมื่อตายไปแล้วเขาก็ต้องไปสู่ทุกขติไปสู่นรกไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไร้ชานอย่างนั้น่ะเราจะทำยังไงก่อนที่เราจะถึงจุดนั้นถ้าว่าผู้ปฏิบัติหลวงพ่ออย่างพระกรรมาฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงพระ โซดาสกทาคานาคารหารันถ้าถึงท่านเหล่านั้นแล้วท่านก็วางตัวของท่านท่านวางยังไงท่านก็ไม่ตกต่ำแต่นอกจากนั้นลงมาเนี่ยเราเคยฝึ ก, กจิตตภาวนาอย่างไรอย่างพวกญาติโยมทั้งหลายที่เคยภาวนาอย่างนีน้เราก็ควรจะเข้าสู่สมาธิทันทีอ่างตัง้งจนะิตอธิษฐานก่อนที่น ะ, ะข้าพเจ้าจะไม่โกรธโมโหโทธโธให้แก่ไครอันนี้เป็นเรื่องของข้าเป็นเรื่องส่วนตัวของข้าถ้าข้าทํากรรมไว ชีวิตของข้าคงจะมาถึงจุดจบเพียงแค่นี้ข้าจะไม่ผูกอาคาดพยาบาทจองเวรกับใครๆทั้งหมดข้าจะอยู่กับพุทธโธดูลมหายใจเข้าหายใจออกทาใจให้ว่างปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นให้เห็นุนั้นจังของไม่เที่ยงเห็นไหมแต่ก่อนเราอยู่ดีมีสุขเราคิดว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้แต่ปัจจุบัเป็นยังไงมันทุกทุกอย่างมันปวดทุกอย่างมันหายใจออไม่ถึงท้อง เออมันทรมานทนทุกทรมานทุกอย่างเลยเห็นไหมร่างกายเนี่ยมัน yeah. เป็นของไม่เที่ยงนะสิ่งไหนไม่เที Bloom> ่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราพระพุทธเจ้าท่านให้กำหนดรู้ทุกกาหนดรู้รู้ว่าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่นี่พอจิตใจของเราอยู่ในธรรมนะจิตใจของเราอยู่ในธรรมปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ทุกไม่โศในขณะนั้น เผลอลงพ่อว่ามันอาจจะกระโดดถีบความรู้สึกนั้นเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ได้นะถือเห็นทุก เ, เห็นทุกเราเบื่อทุกเกลียดทุกถึงจะเกิดพบหน้าชาติหน้ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างอื่นก่อนที่คนจะตายนะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเบื่อหน่ายพ้เบื่อหน่ายคลายจิตใจมายึดมัน่นถือมัน่นอาจจะเป็นพระหันในจุดนั้นก็ได้นะสมัติสีมมสีสมัตสีสีคือจิตุ คนในขณะจวนเจียนใจจะขาดนะตัดกิเลสได้ในจวนเจียนใจจะขาดเป็นพระรหันต์ในจุดนั้นเพราะเกิดความเบื่อหน่ายคลายฮะเพราะนั้นการวางตัววางใจของพวกเราเนี่ยนานๆหลวงพ่อจะได้พูดให้ฟังเพราะพระฝรั่งไม่ถามหลวงพ่อไม่ได้พูดจุดนี้เหมือนกันแต่พ่อท่านถามขึ้นมาหลวงพ่ อ, อจุดนี้เป็นจุดที่พวกเราชาวพุทธนะ นักปฏิบัติทั้งหลายหรือว่าพวกเราท่านทั้งหลายควรจะคิดเอาไว้เหมือนกันนะ เ, เพราะทุกคนมันหนีไม่พ้นจริงๆอแต่ไม่ใช่เอาเอาเรื่องความตายมาขู่กันไม่ใช่อมันเป็นอย่างนั้นขู่แล้วไม่ขู่ก็เท่ากันคนพูดหรือไม่พูดก็มีคุณค่าเท่ากันหลวงพ่อถึงจะพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อเขไม่ไม่ไม่พิเศษยิ่งไปกว่าพวกเราท่านทั้งหลายเสมอกันหมดจุดนั้นเพราะนั้น เมื่อพวกเราถึงจุดนั้นพวกเราควรจะทจําใจยังไงทําตัวยังไงพิจารณายัางไงคิดยังไงจึงจะไม่เสียท่าเสียทีไม่เสียเปรียบไม่ใช่ถึงจุดนั้นมาแล้วก็ร้องกหม่ร้องไห้ร้องโหม่ร้องให้ก็เท่ากันไม่มีประโยชน์ถึงจึงหัวเราะก็ไม่มีประโยชน์ถึงจะทํำยังไงก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นควรจะทําใจอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดสําหรับพวกญา่ิโยมทุกๆ ท, ท่านนะ วันนี้ก็ได้พูดเกี่ยวกับวันสงกรานต์วันพระควรปฏิบัติตนอย่างไรสำหรับผู้สูงอายุที่เราอยู่ในชุมชนสังคมจะลืมตัวให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้จะตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็จากนั้นก่อนพูดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเราเมื่อจะจากโลกไปเมื่อจะจากโลกนี้ไปเราควรทำใจอย่างไร ที่จะไม่ให้เสียเปียกจะไปสู่ความสุขความเจริญต่อไปภายภาคหน้าได้ะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเสียยืดยาวเพราะเป็นวันพระนะ้ะตอนนี้ไปรับพรนัตตน้นะอนุมโมทนาให้พร